ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายกระสตรในวันนี้จะพูดเรื่องสังคารวสูสุดเป็นการกล่าวในรูปใกล้ๆกับการสนทนากันแ ล, และเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็พยายามจะหาจุดดีที่สุดในเรื่องที่น ำ, นำมาประลบกัน มีใจความโดยสรุปว่ามือวุฒิเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันพรามคนหนึ่งชื่อสังคาระวะได้เข้าไปเฝ้าประวุฒิเจาหลังจากผ่านการสนทนาการบทสุงควรแล้วก็มาประรบถึงเรื่องเรื่องหนึ่ง คือการประพฤติปฏิบัติของคนในสมัยนั้นล้วพูดถึงคนทั่วไปไม่ได้พูดถึงพุทธบริษัทหรือบริการบูชาหยันที่มีการเชื่อถือและมีการปฏิบัติกันแค่หลายในสมัยนั้นสังการวาวบอกว่าคนที่เขาทำอย่างนั้นเขาก็เชื่อว่าอำนวยผล ให้เกิดเป็นความสุขแก่เขาเราต้องก็เล่าถึงวิธีการบุชายั น, นต่างๆซึงก็มีอยู่มา ก, ก น, นะฮะการบุชายันจนบางครั้งก็จับสัตว์กับคนมาฆ่าคือแรงมากเครื่อาหยันอย่างใ น, น700เจ7ดร้อยอโคนสัตว์ เอาเด็กเล็กเด็กแกเด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผู้หญิงผู้ชายธาตุธาตุสีสสารอะไรต่ออะไรเนี่ยมาฆ่ากันเป็นหมาหยันแล้วถือว่าจะได้บุญมากเออถ้าเรามองแนวความคิดเหล่านี้ต่อมามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยนะะก็กลายมาเอาฆ่าสัตว์ปุชายยันเอฆ่าแพะปุชายยัน ก็ต้องการที่จะให้เกิดความสวัสดีแก่ตนโดยการทำลายชีวิตคนอื่นและวพระเจ้าก็ส่งยกตัวอย่างถึงการปฏิบัติของคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมากาหมายถึงคนที่ประพฤทปฏิบัติไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจะไปนเน้นที่ศีล เน้นที่ศีลก่อนเพราะว่าไม่จะไปเทียบกับสิ่งที่สูงมากๆ ก, กับสิ่งที่เตี้ยมากๆมันเห็นชัดเกินไปก็พูดถึงข้อปฏิบัติระดับศีลและจนถึงสละบบ้านเรือนออกบวดรปพิปจารย์ของกลุ่มนักบวชทั้งหลายก็มามองไปในแง่ว่าผลบุญที่เกิดขึ้น กการกระทําทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ได้หมายความปฏิเสธยันเ็าโดยสัระการทั้งปวงนะฮะแล้วก็มีผลมีอานิสงส์อยู่บ้างในบางจุดแต่ว่าเมื่อมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นการขัดเกลาวจิตใจมีความประนีตขึ้นมีความสงบสะอาดขึ้น แล้วเราก็สัมผัสได้ด้วยใจเราพระเจ้ายกมาเทียบแล้วพระอนตลก็นั่งอยู่เลยพระอนลก็สอบถามสังขารวะกปราว่าระวังยันสองอย่างเนี่ย พ, พูดง่ายว่ายันแนวของพราว์ยันแนวของพุทธเนี่ยสังขารวะชอบพิธีการไหนมากกว่ากัน วิธีการใดที่มีการจะสะเสรียมน้อยมีการเบียดเบียนสัตว์น้อยมีความเดือดร้อนน้อยแต่ว่ามีความกัดกรากิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปตามระดับมากกว่ากันทั้งคารวะท่านก็มองไปในแง่ของการปฏิบัติอดเว้นคอนแนวของพุทธเนี่ย แต่ท่านบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระมันเป็นบุญแก่แก่สรีระกบุอเป็นบุญแก่ตัวพูงง่าเป็นบุญแก่ตัวแต่ท่านใชค้คำวมาเป็นบุญแก่สรีระก็ได้กล่าวประลบถึงเรื่องนี้ขึ้นไปโดยกำลังซึ่งเราเห็น ว, ว, ว่าแนวแน ว, แนวการปฏิบัติแนวนี้ที่จริงไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องบวชจริงๆเ ม, e มื่อเมื่อคืนวานตืนไปไปพูดที่อุบลที่วัดหนองปลาพงฤาษีพระจันชาก็มาประลบวันตายของท่านแล้วก็บรรจุอธิธาของท่านจะมีการประชุมทั้งพระทั้งกรวาตเบ็ดเสร็จก็ประมาณทั้งสองพันกว่า ก็ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็ใช้วิธีการถือบวชระยะสัน้นๆรุงงิชาเมื่อวานก็มาโที่สุรินก็มีคนกลุ่มหนึ่งเหมือกันถือบวชแต่เราเห็นลักษณะมันต่างกันเยอะคือลักษณะ ท, ที่สุรินนั้นยังค่อยรุงรังนะฮะยังรุงรัง เป็นแนวติวัดน้องประพงรู้สึกบนโปรงโปร ง, ปรงปรเบาๆคือมุ่งไปนในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็เรียกว่าการบวทที่จริงแปรวการงดเว้นแั่นั้นเองไม่ได้จอะจงว่าจะต้องปรงผมโกนหนวดอะไรอะไรนั่นนั้นมันมันรูปแบบแต่ว่าตัวเนื้อหาจริงๆในความเปลี่ยนแปลงในทางจิต หมายความวาจิตได้งดเว้นกายได้งดเว้นวาจาได้งดเว้นที่จริงไม่จิตงดเว้นนั่นนะฮะคือการงดเว้นที่จิตได้อย่างอื่นก็งดเว้นได้แนวการบวชจึงทรงจําแนกที่มันเป็นเนื้อหาจริงๆไว้สามประเภทจริงทรงจําแนกว่าสี่ประเภทนะฮะแต่ว่าที่เป็นเนื้อหาจริงมันก็มีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งที่เรียกบวชกายคือบวชโดยรูปแบบก็เป็นนักบวชประเภทต่างๆ ความเป็นนักบวชวิธีนี้ก็เกิดด้วยพิธีกรรมที่การหรนดว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ทำไปครบถูกต้องแล้วก็เป็นนักบวชแต่จะเข้าถึงใจหรือไม่นะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพียงแต่ว่ารูปแบบนั้นเกือเก้อกูลต่อการปฏิบัติหุืคผลที่ประนีขึ้นไปเพราะว่าจะตัดภารกิจเครื่องกังวลต่างๆออกไปได้ปะ แนวที่สองเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สองนะฮะถ้าไหนพระสูตรเป็นแนวที่สามเป็นการบวช ด, ด้วยใจคือหมายความว่าใจที่งดเว้นบาปมองเห็นโทษบาปกรองกุศลต่างๆแล้วก็เปลี่ยนพยามงดเว้นแต่งตัวยังไงก็ได้แต่งขาวหรือไม่ขาวจริงไม่แปลกกันถ้าขาวมันก็สวยอีกแบบ ใน่างแิวัตอาจารย์ชาเนี่ยก็แต่งชุดขาวบวชทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโกนผมด้วยนะครับผู้หญิงไม่ได้โกนผู้ชายโกนะเนี่ยมันเสียบขาดมากเราแต่งเป็นชีประขาวแล้วก็บวชบางทีก็เป็นระยะสั้นๆศีล ส, ส่วนใหญ่ก็รักษาสินส้นแปดนะนะสิ้นแปดถ้าเรารักษานานๆมันก็เรียกว่าศิ้นแปดถ้ารักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็เรียกอุโบสถต่อสิ้น แต่ก็มีศีนอีกศีนหนึ่งที่เราไม่ค่อยกล้ารักษากันเท่าไหร่เขาเรียกว่าอาชีวมัทธาศีแนแปดเหมือนกันนะนะแปดเหมือนกันแต่ว่าเจ้าพุทธไทยไม่ค่อยนิยมรักษานั่นก็คืออริยมรรคสามข้อสามข้อตรงกลางนะฮะสมมาวจารสมาธิมันต์สมาชีวะนตองเรานับรู้ว่ามีแปดข้อ คืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจา ก, การพูดสอดเสียดงดเว้นจา ก, การพูดคำหยาบงดเว้นจา ก, การพูดเพื่อเจอือหลือไหลสี่นะแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็เว้นจากการประพฤติผิดในกาลงดเว้นจากการพูดเท็จสมาสังกับปากไม่ใช่งดงดงดเว้นจากการถือสิ่งของโดยเฉพาของเข้าไปในไข่กับการประพฤติผิดในกาลก็สี่สามข้อแรก แต่ในพระบาลีแสดงไว้แปกคือศีลข้อที่สามเนี่ยสัมมากมรมตะบางทีเรียกว่าอัพรัมบางทีเรียกว่ากามเมก็หมายความเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายตาพรัมก็หมายถึงเอาจริงนะคือจะจะเป็นนับบวชไปจริงแต่ถ้ามาชาวบ้านทั่วไปก็เอาระดับกามเมคือไม่ประพฤติปิดในทางกามก็พอ แล้วข้อที่สามก็คือเรื่องชีพในทางพิชอบเรียกว่าอาชีวะมัทกะศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปะเป็นศีลในองค์มรรคนะรักษะะาความขั้งยากเพราะเรื่องเรื่องสมาอาชีวะในตีมันค่อนข้างยากนะนรับเราสังเกตว่าแนววินัยที่ที่ละเอียด ติวิชาทรงวางไว้เนี่ยคือไมใ่ใจมันไปเกี่ยวเกาะไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆมากเกินไปพูดพวกพวกอาหารนะฮะพวกพวกอาหารจะเป็นผลไม้จะเป็นรายการที่จริงแล้วพระถือไม่ได้นะฮะพระถือไปไหนมาไหนไม่ได้ภาคบ่ายภาคบ่ายเนี่ยถือไม่ได้ภาคเช้านี่รับประเけてได้แต่ถ้ารับประเけてแล้วต้องฉันให้เสร็จในภาคเช้านั่นเองถ้าไม่ได้ฉันก็ต้องสละจะต้องให้คนอื่น เป็นอิทธิพิธีการฝึกปลือหรือถ้าเรามองว่าให้ใช้ชีวิตในแนวที่เสี่ยงฉันอาหารจบก็จบตอนบ่ายรุ่งเนช้าจะมีฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ทำให้ตัดกังวลเพื่อจะทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปแล้วมาคุยกับพระ อนตอนเขามาส่งนะ่นั่งคุยกันเรื่องสำนักบางสำนักเขาวิธีเขาฝึกคือไปตั้งโรงครัวไว้ไกลจากที่อยู่ของพระนี่สี่กิโลแล้วก็พราบบินธบัตอถ้าไม่ได้ก็มาบินธบาต ท, ที่โรงครัวฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทแล้วก็กลับขึ้นภูเขาบนภูเขาไม่มีอะไรเลยแต่นา้าพวกอาหารนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย ก็เป็นวิธีฝึกฝึกขาดดัดในดสายกันตัวเองให้ควบคุมความอยากการเห็นแก่ปากแก่ท้องเอาไว้แล้วว่าชีวิตค่อนข้างเสีย่ยงแต่ก็ท้าทายนะฮะแต่ท้าทายเห็นว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงๆมันข่มข่มโลภะข่คมความเห็นแก่ปากแก่ท้องเอาไว้ได้ คนเราถ้าตัดตรงนี้ได้คนจะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันจะลดจะลดได้ด้วยนะทีมันไม่ลดเพราะว่าใจไปเอื้อมไปไปยึดมันม่นถือมั่นร้อยมากกรทโทสะมันก็ตามโลภะไปหรือว่า โ, โลภะเองก็ตามโทสะด้วย น, นัคือแนวฝึกทีนี้อาอาชีวะที่จะให้บริสุทธิ์สําหรับชาวบ้านเนี่ยจริงทํายากเพราะชาวบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องเยอะ ในสภาพไปล้อมปัจจุบันนี้จริงพระก็เกี่ยวข้องกันเรื่องเดียวให้อาชีวะือการเลี้ยงชีพเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดนี่ยากไม่ทำไี่ยากกอะมากๆแต่เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามปฏิบัติพยายามกระทำํำมาจากการสังเกตว่าแนว ท, ที่ที่มีของขวัญของขวาอะไรบางทีพระมาจะต่างจังหวะที่ท่านเอามาเองแล้วเราก็เขินไม่รจะไหวยงไงคือจะไปทวงตริงท่านก็น่าเกลียด ก็ต้องหาโอกาสอื่นๆนะฮะประชุมรุ่มร่วมกันมากๆแล้วก็พูดประรบในเรื่องเหลนี้ขึ้นมาแต่พูดตรงนั้นไม่ได้ล่ะมันมันเสียกำลังใจคนก็เสียความรู้สึกโดยเขาเจตนานดีแต่ว่าบางทีเขาไม่รู้ไตรงนั้นที่จริงในแง่ที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็ผิดเราเห็นว่าเป็นแนวการพูดคือพยายามไปยังงดเว้นไปเรื่อยนะงดเว้นในกรณีั้นไปเรื่อย บรรชาจริงแปลว่าเป็นบาปพ้าก็ได้กรรวาก็ได้ศีนตั้งใจสำรวจระวังก็ไม่ใช่วันละเมิดอยู่ตลอดมันก็มีเรื่องให้ละเมิดแต่เราสำรวจระวังได้เรนก็จบพอใกล้ๆกับพูดคำหยาบมันก็มีเรื่องให้ต้องหยาบแล้วเราก็ไม่หยาบ ไม่ใช่ว่าต้องสำรวมระวังตลอดยี่บี่ชั่วโมงมันไม่มีเรื่องให้พูดผมก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วปัญหาใหญ่ในการสำรวมระวังรักษาศีลก็คือเมื่อมีเรื่องจะละเมิดศีลแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้ได้ตรงนั้นแหละคือเรื่องใหญ่ถ้าคุมไม่ได้มันก็ขาดถ้าคุมไม่ได้มันก็มีศีลเราก็ไม่มีทราบให้รักตลอดยีบี่ชั่วโมงไม่มีสา์ให้ฆ่าตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันเป็นเรื่องจังหวะจังหวะที่จริงกร็ระยะสั้นๆ แต่ถ้ามีการสำรวมระวังจนติดเป็นนิสัยคือสร้างไปลักษณะนิสัยมันก็คุ้นเคยกการควบคุมใจให้เป็นอัตโนมัติเวลาไปเจอกา ร, รมลงที่เป็นเหตุให้ต้องละเมิดบทบัญญัติของศีลบทบัญญัติของธรรมะแต่ระดับนี้ก็ก็เอาเน้นที่ศีลไปก่อนนะฮนะทีนี้แนวศีลแปดตัวอย่างที่รูปกัน แต่นว่าจริงๆแนวสีแปแมันง่ายกว่าแนวสีน่ะชีว่ามัตตกาศสีเพราะว่าสี่ข้อข้างหลังมันไม่มีอะไรอ่ะมีการั์นาจักีมาลาอุจารไม่เห็นมีอะไระรู้สึกจะยุ่งยากหน่อยก็ตอนที่ไม่ได้กินข้าเย็นนั่นเอ ง, งนะะก็เป็นห่วงเป็น ย, ยในจุดนั้นแต่ในปัจจุบันที่จริงเนี่ยพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยก็พอ คือก็ไม่ถึงกับเป็นโรคกระเพาะไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรเป็นศีล แ, แนวพรุมจันทร์เก็ต้องการจะฝึกปรือตรงนี้จะเป็นการเปิดโอกาสกว้างสำพระก็ได้ครวั์ก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรแต่ถ้านานๆมันก็ต้องต้องใช้แนวนี้นะฮะ มันก่อนไปรู้ข่าวพระศึกไปองค์ก็เสียดายนะฮะปีที่แล้วได้พระทำงานเผยแผ่ศาสนาดีเด่นได้ตสอเสมาธรรมจักรของศูนย์สมเด็จพระเทพประธานแต่เขาไม่ได้มารับเพิ่งรู้ข่าวจากหลวงพ่อบรรยาไปศึกเสร็จแล้วถามว่าทาไมศึกบอกว่าต้องการจะไปทำงานในเพศของคาราวะมันขัดขอ้อออ เป็นพระบางทีมันก็ขัดข้องในการทำงานเหมือนกันถ้าทำงานต่างประเทศนี่ขัดขัดข้องมากมากนะฮะมันมีปัญหาเยอะปัญหาเรื่องวิ น, นัยปัญหาเรื่องศีลปัญหาเรื่องที่พักสารพัดคือรักษาความเป็นพระด้วยเราก็ทำงานด้วยถ้าต่างประเทศเราจะทำยากเราก็สึกไปค่ะว่าไปทำงานตอนนี้ไปอยู่ที่ฮาวายก็ดีไปอีกแบบอยงบ นั่นก็ที่จริงก็คือรักรั ก, ร, กรักษาศีลลดลงมาเป็นแปดข้อก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์กังเว้นบาปเพราะาคำคำว่าบัญชาท่านท่านจริงบางทีท่านสรุปสัส้นๆง่ายๆอิงสาสัญญโมธโมแล้วคำเดียวนะั้นที่จริงคือการไม่เบียดเบียนอิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนสัญญโมก็คือการตารวระวังธมโมก็คือการฝึกปลือ การทำฝึกปลืออะไรก็ฝึกปลือสํารวมระวังไม่ให้เบียดเบียนแท่นั้นเองฮนะคนเตือเนื้อหาตัวเอกลักษณ์ตัวสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นนักบวชก็คือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนด้วยกายไม่เบียดเบียนด้วยวาจาจนถึงไม่เบียดเบียนด้วยใจก็จบลับนาะนั้นเป็นเพียงรูปแบบเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเครื่องประกอบเป็นปัจจัยที่ข้าสนับสนุนให้ สามารถปฏิบัติได้ประณีตขึ้นเท่านั้นเองแต่ประเภทสุดท้ายถึงถือว่าเอาจิงไงนะเอาจิงก็คนที่ยากนะแต่บอกว่าเป็นการออกทั้งกายทั้งใจตือหมายความมาอยู่ในเพศของนักบวช ด, ด้วยแล้วก็ปฏิบัติจนลดละกิเลสให้เจือจางบาบางลงไปด้วยจนถึงก็หมดหมดไปเป็นเป้าหมาย คือคนเราเรียกว่าจบพรหมจรรย์คือจบการการบวชเนี่ยมันต้องเป็นพระหันดั น, นเองถ้าไม่งั้นยังไม่จบมีพระหันประเภทเดียวที่ท่านเรียกว่ากระตังพระมจรรย์คือจบพรหมจรรย์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความดีก็จบเพื่อล่าความชั่วก็จบคือเสร็จละในส่วนตัวท่านแต่ภารกิจอื่นที่จะทำต่อไปก็คือการกระทาเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะพอมาเรียงระหว่างการบวชสองแนวนะฮะคือพิธีกรรมที่เรียกว่าบูชา ย, ยาัญถือว่าเป็นเรื่องสูงสุดแต่มาเทียบกับระดับการบวชการการบวชไปรักษาศีลธรรมดาธรรมดาไม่ได้พูดรับสมาธิปัญญานะฮะอันนี้นมันเทียบสูงเกินไปเอาเฉพาะสองอย่างเนี่ยพระอานนท์ก็สอบถามสังขดเราว่าว่าอะไรมันดีกว่าท่านชอบใจอะไรมากกว่า สังคาระวะก็ชอบใจในเรื่องนี้แต่ตอนตอนแรกพระนรนทท่านซักเอาหลายเที่ยวทำให้สังคาระวะงงนะฮะเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยแก้ต่างให้ช่วยอธิบายให้แนวแก่สังคาระวะสังคาระวะก็ตอบได้ภาพตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเวละคนมาฟังเทศหรวงพุทธเจ้าที่วันนั่งคุยนะะมา น, นั่งคุยกันอยู่ ท่านไม่บอกว่ามีพระอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าแน่นอนที่สุอเรามีคนอยู่สามคนมีราพุธเจ้ามีพระอานนท์แล้วก็มีท่านสังคาราวะมาถึงก็นั่งคุยกันถึงก็มีสิทธิ์เยศตอกถามมีสิทธิ์เยสเียงมีสิทธิ์เยขอให้อธิบายได้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นกันเองมีความเป็นมิตรสนิทสนมแล้วก็ ใกล้ชิดแต่นะฮะหาม ว, ว่าชาวบ้านที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าข้างนอกนี่เขาคิดกันยังไงมั้งแต่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในสังคมของพราหมณ์เนี่ยเขาคิดเออสนใจเรื่องอะไรแล้วคิดเรื่องอะไรกันสนทนาคารว่าเขาบอกว่าคือเขาขมักลังถกเถียงกันในเวลานี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเนี่คนที่มีปาฏิหารนี่น้อยอุตริอุตริตรมนุษยธรรมก็มีน้อยแต่เดียเ๋ยวนี้คนที่มีปฏิหารนี่มีมากแล้วก็อุตริมนุษยธรรมก็มีมากพระเจ้าก็ถามความเข้าใจของท่านบอกท่านเข้าใจไปยังไงคําว่าปฏิหารก็ดีครับว่าอุตริมนุษยธรรมก็ดี ก็ปรากฏว่าท่านท่านท่านไม่สามารถอธิบายให้รายละเอียดได้แต่ก็เป็นการเล่าถึงความชื่อถือความสนใจรวมๆของชาวบ้านคือมันทาให้คิดถึงสภาพสังคมเราปัจจุบันปฏิวัติอาจารย์ชาเนี่ยรู้สึกพระเนนดีก็มาหาพระส่วนต่วนใหญ่พระนะฮะที่เขมาแล้วเขามาประรบเรื่องเรื่องเรื่องกุศนาพระเรื่องเรื่องเรื่องเดียวเลยเป็นห่วงกันเป็นห่วงกันมาก แล้วก็มาที่สุรินเขาก็พารถเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำยังไงจะแก้ไขยังไงการโฆษณาขายพระเครื่องกันมากไปเกิน เ, เนี่ยก็บอกไม่รู้จะทำยังไงแหละแต่ว่าค่อยๆแก้แก้กันแล้วกันเออเพราะว่าแนวมันค่อนไปทางปาร์ิหารค่อนไปทางอิทธิฤทธิ์ค่อนไปทางให้ความต้องการแก่เรื่องเหล่านี้อย่าทำบุญตักบาท จะถวายดอกไม้จะอะไรแต่ไรเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันมองไปแนวอิทธิฤทธิ์หมดมองไปเกิดครั้งเกิดศักดิ์สิทธิ์เกิดแนวการดนบันดาลเกิดการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้ได้อะไรมากมากอ่นะฮะแนวโดนบันดาลแนวอิทธิฤทธิ์มันมีมากขึ้นแล้วคนไปทุ่มเท ชีวิตของตัวเองความหวังของตัวเองไว้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากไม่ใช่ต้งหมดแต่มันมากที่ถามมันทำไมมากอาจจะเป็นพระสือ่ออาจจะเป็นพระสื่อนี่ยใช้ไปในเรื่องเหลนี้เมื่อวานในขณะที่ฉันข่าวลิสุรินก็มีโยมก็พูก็นักข่าวซื้อพิมพ์ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพเยอะเลย แล้วเขาก็บอกว่าถ่ายถายไปเองงั้นเองมาเห็นลงเลยเวลาพระทำอะไรดีเมือม่อเมื่อวานประชุมเยอะนะทั้งพระทั้งคาวว่าที่สุดินก็เยอะที่อุบลก็เยอะไม่เห็นลงข่าวเลยเวลาพระทำอมไรดีพอพระทําให้ดีจะลงมาลงข่าวพาดหัวไม้เลยตัวไม้แด็กข้างหน้าเลยเลยนักข่าวชักเยอะเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยูกต่อว่าข่าวแต่ทีนี้ก็ก็เป็นอย่างงั้นนะฮะเพราะว่าคนก็ไม่สนใจหรอก สนใจเรื่องเรื่องการกระทำดีแต่ว่าสนใจเรื่องข่าวข่าวอา ก, กรรมข่าวเรื่องเพศข่าวเรื่องสงครามข่าวเรื่องความชั่วนะฮะมันมันก็มีสี่ห้าข่าวนั่นเองที่คณก็สนใจทำรรมชาติของสิบผิวก็ต้องของข่าวตอบสนองความต้องการของสังคมแนวหล่านี้มันมันมันเกิดขึ้นถ้าเรามองประวัติศาสตร์ มันมันมันเป็นเงื่อนไขทางสังค ม, มนะฮะแล้วเราไปยึดบ้านถือม้านอะไรมันก็ปวดหัวปเปล่าเพราะว่าในสภาพจิตที่สับสนสภาพจิตวิวัฒน์การไขวยคว้าแสวงหาที่พึ่งสื่อสารทั้งหลายที่เรารับมีความสับสนคนก็สับสนนี่ยนะเราดูตัวอย่างง่ายๆที่ตอนพระเจ้าเสด็จ กรุงรัชชกึอตอนจะสรุใหม่ๆนะนั้นผ้นาเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันมันมันเป็นความขัดแยง้งคือความขวางใจของคนแถวนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าท่านอุรุเวลากาจสะปะเนี่ยเป็นพระอาราหารันเขาก็รบระถึงเขามานานนะท่านก็เป็นผู้เท่าสั่งสอนคนแถวนั้นมานานเอาวันดีคืนดีอุรุเวลาการสะปะไปเดินตามหลังพระพุทธเจ้าตายตายตาตพระพุทธเจ้ายังหนุ่มมากนะฮะ สาส d a หนุ่มฟอเลยอาย่36ปีย่งยางๆอ่ะ36ปีตอนต้ๆนๆบาคนก็สับสนแหละคนที่ตามเสด็จพระพี่มีสานมาเฝ้าสแสดงอาการแตกต่างกันบางคนก็นั่งเรียบร้อยนะฮะบางนก็นั่งเรียบร้อยบางคนก็ส่งเสียงบางคนก็บอกชื่อที่โคตคนตัวเองบางคนก็จับกลุ่มมึงกลุ่มมึงกลุ่มมึกลุ่มวิภาควิจารไม่รู้ใครใหญ่กว่าใคร นั่นคือประเด็นที่เขาเกิดข้องใจสงสัยเพราะสิ่งที่เขาเคคุ้นเค ย, คเคยเนี่คืออุรุเวลาการตปะเป็นผู้ใหญ่เป็นครณาจารย์สั่งสอนลัชิมานานพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ไม่รู้จักแล้วพระเจ้าก็เป็นเด็กกว่าเยอะแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เกิดสงสัยเพรา ะ, ะนั้นตราบใดที่เขายัางสงสัยเนี่ยเขาจะให้เขาเรียบร้อยไม่ได้ ผู้เจ้าก็ไม่ได้เทศจะรับสางให้อุรุเบรักกัสสปะรับสั่งสอบถามความคิดความเห็นการไปมาของท่านอุรุเบรักกัสสปะให้อุรุเบรักัสสปะท่านเทศเองตอนต้นตรงนั้นที่จริงไม่จะเทศธรรมะเทศแก้สงสัยเพื่อรู้ให้เขาใจมันสงบอยู่ว่าระหว่างสองท่านเนี่ยใครคือศาสตาจริงจริงแต่เราดูจริงจริงมันมีสี่นะฮะไม่ไม่ มันจะมีสองทางพระพุทธเจ้าคือมีท่านนาทีกัตสปะท่านกัญากัสปะซึ่งเป็นขณาจารย์เหมือนกันตกลงว่ามีขณาจารย์ใหญ่นสี่ขณาจารย์ทีรพุทธเจ้ารูาา้เลักัตสปะนาทีกัตสปะกัากาัตสปะมาอยู่ในที่เดียวกันสามคนนั้นเขาคุณเขารู้จักแต่พระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักเพราะฉะนความสับสนก็เกิด อ, อรูปเวลาการตบะได้สแสดงที่แจงอธิบายเหตุผลถึงความเชื่อของท่านการปฏิบัติเลวไหลของท่านแล้วก็จนได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วจนได้มาเป็นลูกศิษย์ปุถุจาก็ประกาศตัวเป็นรูกศิษคนก็ปักใจได้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าถึงเทศเสร็แล้วคนก็ได้บรรลุกมรคผกันแต่ถ้าเราดูอีกทีหนึ่งว่าคนตั้งเยอะนะ ก็มีอยู่เรียกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังยังยังไม่มั่นคงยังไม่แน่ใจอะไรก็ได้แค่ประกาศตนถึงรัตนัตแต่นั้นคือภาพจริงจริงพรนเดียวก็เจ้าทรงทรงสแสดงว่าคนรอพอเกิดความกลัวเนี่ยมันก็ดิ้นขวัขวายแสวงหาชีพึ้งก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครมันมันมีความปักใจขวางใจติดใจเรื่องอะไรก็ไปเลยต้นไม้ภูเขาจอมปลวกลองฟาง พำอะไรต่อะไรก็ไปเลยอะที่เขาเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งได้เป็นที่พวามน่าอาศัยได้แต่วันนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอุดมไม่ใช่ที่พึ่งเงินสูงสุดไม่ใช่ที่พึ่งเงินอุดมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถจะุดพ้นจากพวกตังปวงได้แต่ในด้านขวัญกำลังใจเนี่ยคงมีนะฮะมันก็มีสหรับคนเหล่านั้นมันก็พูดกันมากเสร็จแล้วมาก็สรุปในที่วระชุ ม, มนบอกว่า มันคงเลิกไม่ได้นะมันเหมือนกับเราเลิกเล่นตุกตาไม่ได้เนะี่ยเลิกสร้างตุกตาไม่ได้เพราะว่าในโลกมันยังมีเด็กวุฒิภาวะทางาศาสนาเหมือนกันวุฒิภาวะในแต่ละเรื่องเนะี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันมีความเป็นเด็กอยู่ในวุฒิภาวะในแต่ละสายสาศาสนามันก็มีความเป็นเด็กในด้านการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องนึกถึงเด็ก นึกถึงคนที่มีวัตถิภาวะขนาดนี้ว่ายๆกลาบกราบสารไม้ติ้วอะไรไปก่อนเ็าว่ากันไปอ่ะไมรู้าปปมน้ำมนต์ไปประว่าไปไเร่อแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทั้งหมดแต่เราก็ทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นแนวนี้จึงเป็นแนวธรรมดาที่มันมันมีเพียงแต่ว่ามันแรงไปแต่นั่นเอง จะทำยังไงว่าจะลดความรุนแรงลงหน่อยที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีพระดังเท่าไหร่นะมีการทําปลอมมากเพอนั้นวันเกิดกันเจ้าคุณที่ที่คณะเมื่อวันที่สิบ ท, ที่แล้วเนี่ยคนขนพระต่างๆมาแจกเยอะเลยแกก็งงอะ่ะหลวงพว่อครูเนี่ยว่าดังๆเนี่ยเอามาเป็นกระป๋องกรปองเลยเน้อแสดงมันทําปลอมกันเนนะ่นะ เห็นให้อาตอมามากรอบเลยยังว่างอยู่บนโต๊ะยังยังไม่ดูมีมี อ, อะไรไมเอไม่ไม่โอ้โหแจกกระติะกรอบเลยขลังกัน่ใหญ่ทีนี้ ม, นมันมันก็เป็นสภาพของสังคมเป็นเงื่อนไขสังคมที่เราต้องมองด้วยความเข้าใจและเห็นใจนะฮะว่าทำยังไงล่ะให้คนเหล่านั้นมีนมีผลมากขึ้น เข้าใจในเรื่องตัวเนื้อหาของศาสนายายเสียเวลาเที่ยวสับสนในการแสวงหาอยู่นานเกินไปเพราะว่าเราก็แก่ลนงนทุกวันเนี่ยเดี๋ยวตายเลยไม่ได้อะไรไปก็ปเล่นแดพรักเครื่องที่กเตียมานีมีมีคนออกมาให้ก่อนเนี่ยยังกองเลยนะฮะ่าเป็นพันเลยนะ แล้วมีก็เป็นนายอำเภอแล้วก็ตายที่บ้านมีลูกสาวแต่นั้นไม่มีใครสืบต่อพระเครื่องเลยก็โผนมาให้อะไมามาก็ไม่รู้จะเอ า, เอ า, เอาไปไหนเหมือนกันก็ยังกองอยู่ที่ฤทธิขอผ้ า, ใ, าใส่กล่องใส่ละไรไปคือเป็นพระพุทธ ร, รูปแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเอาไปทิ้งก็ไม่ได้ เ, เก็บไว้กอนามีใครเขาสนใจก็ต้องการเอาไว้ให้เข้าไปก็บวชสะสมมาตลอดชีวิต เป็นจำนวนเลยเยอะเยอะเยอะเหมือนกันนี่ก็คือก็คือสิ่งที่สะท้อนปัญหาต่างๆในสังคมว่าเมื่อเปรงเข้ามาในงนั้นเลนะที่ที่ท่านสังคาราวะมาลาบหรวพุทธเจ้าจึงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกได้เป็นเป็นเป็นวันๆนะก็ลงไปอยู่ในดินได้อะไรเนี่ยฮะจะมองเป็นแนวอิทธิฤิ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ให้ฟังทั้งสามข้อแรกเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้เป็นความสาเร็จทางกายด้วยทางใจด้วยนะฮะคำว่าฤทธิ์ในที่นี้เมื่อเมื่อพูดเพียงสามเนี่ยหมายความว่าแยกออกทั้งสองอย่างอย่างนึงเรียกว่ามโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ที่ทางใจ ใจจะอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวจะอยู่ในที่เดิมแต่ว่าใจไปปรากฏเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นกายชิบอยู่ในที่ต่างๆได้นั่นก็เรียกว่าโนมยิทแต่อย่างหนึ่งเขาเรียกอิทิวิทอิทิฤทธิอิทิวิทิก็คืออิทิฤท ธ, ทธิเป็นการไปด้วยตัวเป็นการทำอะไรที่ผิดปกติธรรมดาเช่นเดินไปบนน้ำโดยน้าไม่แตกเหะลอยไปบนอากาศ เอทำสิ่งที่ปรากฏไม่ให้ปรากฏทำสิ่งที่ไม่ปรากฏ อ, อให้ปรากฏอะไรสิ่งไม่มีให้มีสิ่งมีไม่ให้มีอะไรอะไรเนี่ยถึงท่านลลายลองเราสังเกต ว, วิธีเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้แต่ใช้นิมๆนะใช้นิ่มๆหรืคนคไมเค่เคยสังเกตมันก็ไม่รู้อย่างตอนประยะสะไปเฝ้าฟังเทศแต่พระเจ้าแล้วพอระยะสากลมรุมคนเ ป, ป็นพรโสดาบันพ่อระยะสะมา พญาศาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่พ่อพญาศากไม่เห็นก็กราบทูนถามพระพุทธเจ้าว่าปาท่านนเห็นพญาศากกุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งว่านั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพบพญาศากตรงเนี้อันนั้นก็คือทําสิ่งที่มีไม่ให้มีคือนั่งอยู่ตรงนั้นเองแต่ว่าพ่อไม่เห็นจานวนของเรากเรียกกาบังตานะจริงๆก็อยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วพระเจ้าก็เทศขอพ่อพระยาศารบรรลุมรคนเป็นโซดาพระยาศารบรรลุอรหรันตเป็นพระหรันก็คลายฤทธ์ก็พระยาศาก็นั่งแก่ัานเดชนี่คือทําสิ่งที่ปรากฏอยู่ไม่ให้ปรากฏเป็นช่วงยาวหรือช่วงสั้นก็นแล้วแต่นะฮะตลอดถึงลูกกรรมลูปเออลูกครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้นะฮะที่ที่เล่าไว้ในในในวิสูตรเนี่ย ไปแทรกไปบนภูเขาแทรกไปบนในดินอะไรก็เถอะทำได้แต่ว่ามันมันมีขั้นตอนเยอะนันก็เรียกว่าอิทธิวิธีอิทธิฤทธิเป็นอิทธิปาฏิหารเป็นความสาเร็จโดยผลของการปฏิบัติก็มีนะฮะโดยกำเนิดก็มีโดวยวิชาความรู้ก็มีก็แล้วแต่มันเกิดได้ตั้งสิบอย่างนะฮะพวกนี้เกิดได้ตั้งั้งั้งสิบทางเหมกัน อีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่เรียกว่าอาเทสนาปฏิหารคือรู้ใจคนเข้าใจคนคนมาถึงนี่เข้าใจความคิดกระทายความคิดได้เมื่อวานก็มีท่านนั่นนายพันเอกพิเศษคนหนึ่งก็นั่งเล่าให้ฟังในขณะอิจารย์ข้าวที่ที่สุดินคนนี้เขาไม่เคยเชื่อพระไม่เคยเชื่อพระข้างๆดังๆก็ ไปหาอาจารย์ฟั่นกับอาจารย์ขาวหลายหลายท่านที่เคยเล่าเมือ่อเมื่อวานนเล่าอาจารย์ฟั่นกับอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวนั้นท่านท่านท่านไม่สบายนะท่นไม่สบายอยู่ก็ไปแกนั่งอธิษฐานใจที่บ้านเนี่ยปอยแล้วขอให้ได้พวกแล้วขอให้อาจารย์ให้อะไรสักอย่างก็ปรากฏว่าอบ ไปถึงไปเดินดีๆดูอาจารย์ก็เปิดประตูมาพบล้วคุยกันหน่อยนะก็ถามเอาบ่อเอาบ่าอบอแล้วก็หยิบอะไรมาให้อะเป็นก้อนหินก็หยิบตรงนั้นนะใกลๆนะให้าอัน้เป็นก้อนหินให้อาจารย์พั่นก็เหมือนกันนอาจารย์ฟั่นเนี่ยเขาไม่ให้พบแกขอเดินดีๆดูปรากฏว่าอาจารย์พันให้เด็กมาตามขึ้นไปพบ ผมแล้วก็ไปหยิบหยิบรูปเล็กๆหอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องเครียกอาเทสนาคือรู้ใจฮะที่ท่านต้องทําเพราะว่าคนนี้มาทดสอบมาต้องการทดสอบมาทา้าทายถ้ า, าไม่ทําอะมันจะเป็นบาปแก่นคนตัว น, นี้พอต่อไปก็จะนึกดูหมิน่นก็จะเที่ยวโพนนาโอ้ยแม่แน่จริงอะแน่จริงเราทดลองมาแล้วไม่เห็นเป็นไงที่ว่า แล้วก็เป็นผลเสียเพราะฉะน้นตั้งใจหยิบอะไรให้ไปนหน่อยหนึ่งก็ไม่ใช่เครื่องรางของขลังอะไรนะฮะเต่บแกบอกว่าขอให้ได้อะไรสั้อย่างกต่ น, นั้นเองไม่แปลกอะไรก็หยิบอะไรให้ก็ไดแ้แสดงว่ารู้ว่าที่เธอคิดเนี่ยเธอคิดมาอย่างไงท่านก็ให้แล้วนั่นก็เรียกแนว อ, อาเทสนาเรารู้ใจเข้าใจความคิดของคน เขาคิดยังไงมีพื้นฐานอย่างไงมีปัญหาอย่างไงก็เรียกว่าเข้าถึงใจของคนในขณะนั้นๆซึ่งแนวเหล่านี้เป็นแนวที่ใช้สอดคล้องกับการเทศพู้เจ้าชายบ่อยมากที่สุดแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกก็เทศไ ป, ประสมกลมกลืนไปก็ปเทศคล้อยตามไปตามที่เขาคิดแน่นะนะคิดยังไงพู้เจ้าก็เทศตามไปเรื่อย กรณีที่ที่เคยล่าฟังว่าอนุโล ม, มเธ e s a คือเตทคอยตามพื้นฐานความคิดของเขาทีนีเ้เรื่องเหล่านี้บางทีมันเป็นสภาวะธรรมนะฮะสภาวะธรรมมันเกิดยังไงมันเหมือกนกับคนโกรธนะฮะคนโกรธคนโกรธแมวโกรธหมาโกรธแข่โกรธไทยโกรธอเมริกาโกรธมันก็เหมือนกันแหละสภาวะความโกรธตัวสภาวะนี่จะเหมือนกัน บางทีพระอธิบายสภาวะไม่ไม่ได้อเทศนาปฏิหารานะฮะแต่สภาวะนั้นพระเจ้าทรงแสดงเวลาเรานำมาอธิบายเนี่ยคุนฟังก็อาจจะคิดว่าเราเราเร า, เ ร, ารู้ใจถายใจก็ได้แล้วพระอาจจะตีครุ่มก็ได้พระอาจจะทําเฉยๆวางมาาทําเป็นอเทศนาปฏิหารานก็ได้ซึ่งนี้เป็นเป็นเป็น เ, นเรื่องอธิบายข้าวเฉยๆ แล้วพระก็ต้องบอกให้โยมทราบอย่าโยมหลงนะฮะคือถ้าทึ่งตาอาศจรรย์ก็ให้ไปอัศจรรย์ที่ตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าจะไปอัศจรรย์ที่พระสงฆ์นี่หนึ่งก็เรียกอนุสาสนิปฏิหารเป็นการเทศสั่งสอนคล้อยตามพื้นฐานของคน คือหมายความวมาแก้ปัญหารู้ปัญหารู้เหตุเกิดของปัญหารู้ความดับของปัญหารู้กรรมวิธีในการจะแก้ปัญหาแล้วก็เทศธรรมะเหมาะสมแก่คนตอนนั้นนั้ น, น, นเป็นคําสอนที่อัศจรรย์พอเสร็จแล้วบางมางก็เกิดปัญหาขึ้นมาสามแบบอนะครับคำหนึ่งเรียกอุตริมนุธรรมหรืออุตริมนุจะรำในจริงๆไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคําดีหมายถึงผลการปฏิบัติทางจิต ตั้งแต่นี้ไปนะฮะตั้งแต่สมาธิไปสมาธิฌานวิมุตติสุ์ อ, อะไรเนะะี่ยการนั่งวาวิโมขางว่าสมาติงวาสมาปฏิงองมาขังย่อยย่อยไมดเมากความวาผลทางจิตที่สามารถส ง, งบกิเลสได้ระยะหนึ่งสั้นๆไปเนี่ยฮะก็เป็นอุตตริมุลธรรมแล้วจนถึงโน่นนะฮะจนถึงมันลุกมคผลเป็นพระหรันทาให้ปาฏิหารมันเกิดขึ้นแยะแสดงว่า ระอริยะมันก็เกิดขึ้นอย่าทีนี้ปฏิหารสามอย่างนีพระเจ้าก็เอกมาถามท่านสังฆารวะแต่ละข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยการที่คนสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายกับกองได้นะฮะทั้งทั้งทั้งสองแนวนเออท่านนี้มันเป็นยังไงท่านสังฆารวะเก่งนะสังฆารวะท่านบอกว่ามันมั น, ม, นมันเป็นผ่านสามารถเฉพาะตัว เป็นความสามารถเฉพาะตัวคนนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะหลุดพ้นจากทุกได้นะครับถ้าถือว่าดำลงไปในดินหลุดพ้นจากทุกได้แสดงว่าสาเดือนก็หลุดพ้นจากทุกได้พเพราะสาเดือนก็ดำลงไปในดินได้นะเดินไปในน้ําก็มีเยอะนะคนไปในน้ําได้ก็แสดงว่าการไปในน้ําก็หลุดพ้นจากทุกเพราะมันมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาอะไร ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นความสําเร็จที่หลากหลายเป็นมายากกนก็ได้เป็นความสําเร็จโดยกําเนิดก็ได้เป็นความสําเร็จด้วยวิชาการทั้งหลายก็ได้เช่นว่าไปในน้ําก็สําเร็จโดยวิชาการก็ได้ะพวกเล่นสกงลสงกีเนี่ยก็ไปได้หรือว่าขหาะลอยไปทางอากาศเนี่ยก็เล่นอะไรไปได้มันก็ ก็ทำไปเยอะมันมันมัเป็นวิชาการก็ได้เป็นกนําเนดก็ได้นกอะไรก็บินได้ปลาก็ดําลงไปในน้ํามันก็ไม่เห็นแปลกอะไรมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฤทธ์เหล่านี้บางทีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฤทธ์จะแปลความสําเร็จ่นั้นเองบางทีเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามีคนกขาเ่าฟังแต่ยังไม่พบเองนะมีคนคนเขาดฟัง พระเอก่ามีสะพานข้ามแม่น้ำํำคงคาแล้วก็มีรูสีก็นั่งบำเป็นตบะพระเจ้าก็เสด็จผ่านไปรับสั่งถามจะทำอะไรแกบอกแก็จะเจะเจรินริทได้สามารถเอาข้ามแม่น้ำํำคงคาได้พระเจ้าก็ชี้ที่สะพานเอาไปเสียเวลาทําไมสะพานอยู่ขึ้นไปเลยคือมันมันนอกเรื่องนะฮะก็สะพานมีแล้วไปไปไปจะเหาะมันเหนื่อยทำไมแเราขึ้นเดินสะพา น, นหมดเรื่องแนละ้ มันไม่ใช่เป็นอะไรเพราะพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยกิเลยเราไม่ได้หมดมันเป็นสงบถ้าผลจา ก, กจิตจริงๆเนี่ยมันมันเป็นโลกิยะนะฮะเป็นโลกิยะก็ได้โลกตราก็ได้ท่านสังฆารว่าต่านถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนตัวเป็นของว่างเปล่าท่านาคารเดียวเป็นของว่างเปล่าแต่ในจริงเราชอบมากนะคนโลไปจะชอบตรงนี้มาก แมาเคยตั้งข้อสังเกตและเคยพูดกับผู้ใหญ่นะฮะ บ, บอกว่าถ้าจะไปเผยแผ่ศาสนาในอินเดียเนี่ยอย่าไปเครื่องบินนะฮะไปเครื่องบินไม่สาเร็จประโยชน์ถ้าเหาะไปแล้วรับรองเลยเหาะไปได้แล้วก็เทศอินเดียภาคเีนอแต่เราจะเห็นว่าเอาจริงว่ามีสมมติม่มีคนเหาะได้มันแก้ปัญหาอะไรได้ตัวเองเหาะไปก็ปปะาักลมกับพายุอะไรข้างบนหูมันยุ่งนาดเนี่ย นั <là> so Marcheg, ่งเรื needed, ่องบินสบายสบายไม่เอาแต่ว่าคนจะมาติดแล้วสิ่งที่เราที่เราที่เราคิดว่ามันดีนะมันดีอะไรมันไม่ได้อะไรมันเป็นเรื่องเฉพาะคนสมมติเรามีพระเขาะไปลงไปเทศิอินเดียเนี่ยนะแกก็เขาะได้อยู่องค์เดียเราก็เขาะไม่ได้อยู่นั่นน่ะนั่นคือคือแสดงว่าท่านท่านสังฆารวมบอกมันเป็นของว่างเปล่ามันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนกก็เขาะได้อะไรก็เขาะได้เยอะแยะเลย เราบินได้แนวอาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารเนี่ยท่านหลายลองลองสังเกต่แม้แต่เราธรรมดาคนทัน่วไปมันรู้เยอะครับรู้จิตคนเยอะมองหน้ารู้ใจเยอะรู้ก็คิดยังไงก็มีความรู้สึกยังไงในขณะนั้นมันก็เยอะไปแล้วที่อย่างยิ่งมันมันมีมนอย่างหนึ่งก็เรียกวาจินดามณีนน แต่ไม่ก็นะฮะจินดามันมีที่ที่มนอะไรของนางพันธุรัตน์ะฮะแต่ที่จริงสมัยโบราณสาัยพรเจ้านี่มีเพลงข็ามนจินดามันนีเวลาสาธยายมนนี้จะรู้ความคิดคนจินดามันนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกมายาวีประเภทแรกก็คือมายาวีอิทิริตต่างต่างที่ทำมันก็มึงก็มึง ก, ก็เล่นคกลนะฮะก็เล่นกล น, นะ นักบัญญัติอเมริกามันสามารถยกสนาม ย, ยกยกเครื่องบินแอร์บัสลําใหญ่ๆ ห, ห, หายไปได้เลยนะเหาะผ่านกําแพงเมืองจีนได้นะะเคยไปแสดงที่ที่เมืองจีนมันเข้าไปในกําแพงเมืองจีนได้เลยแต่จริงๆมายากลมายากลทุกคนเห็นว่ามันเข้าไปแต่จริงไม่ได้เข้าไปมันมันมนันเป็นเป็นเพียงมายากลเท่านั้นนี่คือ คือสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่สามารถช่วยใครหลุดพ้นจากทุกอะไรได้เลยเป็นความพิเศษเฉพาะตัวสมมติถคนนั้นมีมันก็แสดงปาหี้หากินได้กินได้มันก็รวยไปกลุ่มนะแล้วคนอื่นก็เท่ตามป้อยๆๆไปแต่ดูเขาแล้วเสียเงินเสียทองเสียเวลาสมาร์กิจแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านสังคาราวะท่านบอกว่าเป็นของเปล่าเป็นของว่างเปล่าเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านท่าน ท่านไม่สนเสริญท่านไม่ชอบท่านไม่ยกย่องเห็นไหมว่าบัณฑิตเนี่ยเขาเขาตําหนิสองอันนี้นะสองอันนี้แต่ถ้าถามว่ายุคสมัยของเราเนี่ยยุคสมัยของเราสมมติว่าหนังสือพิมพ์พาดหัวเนี่ยมีพระใครก็ได้เหาะรับรองเลยนะตั๋วรถเต็มหมดหเครื่อง บ, นบินติเต็มหมดเลยคนจะไปกันแห่กันไปทั้งเดินทั้งอุ้มลูกยิงหลานไปดูกันเนี่ ล้าถามวันดูแล้วได้อะไรเราจะเห็นนั่นทียมีแต่เสียไม่มีได้อะไรเลยเขาได้นะฮะเขาได้ร้านค้าแถวนั้นก็เศรษฐกิจตรงดีขึ้นแย่นะฮะมีร้านค้าร้านเล็กั้านน้อยน้าปึง้งน้ำหวานนก็ขายกันได้หมดนั่นคือแนวการมองว่าปาฏิหารสองประการนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่มีเพียงแต่ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ทัานสังการวาถามว่ามีไหมในในศาสนานี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่มันไม่ใช่นับเป็นสิบมันนับเป็นหมื่นๆมื่นทมาอยู่ตรงไหนก็อยู่ในเนี้ยมนก็นั่งวนปนก็อยู่เนี่ยก็ทาได้แต่ว่าไม่สันเสริญไม่ยกย่องให้ทำเพราะว่าทำแล้วคนก็มาติดธรรมะนี่มันมันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคนตัวใครก็ตัวคนนั้น เออไม่ใช่เรื่องป้ายขี่เรื่องการแสดงเรื่องการลเล่นอะไรที่สนุกสนานจบครั้งจบคราวแล้วก็มีได้เสียเวลาเสียเงินเสียทองไม่ได้อะไรติดใจติดตัวแต่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นไหมธรรมคุณสองข้อเนี่ยสันติโกกับปัจจตัง น, นั่นคือผลสรุปว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เอง และคนที่เห็นได้ต้องเป็นคนฉลาดคือวินยูชนถ้าไม่วินยูชนจะเกิดความสับสนในตัวเนื้อหาของศาสนาจะไปติดเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิจฉิติริสเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาของศาสนาเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีนะฮะยอมรับว่ามีสังขารวะก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าก็ยอมรับว่ามีายมืนยันว่า ม, าามีแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหา ใช้เป็นเคร่อมือประกอบได้ใช้เป็นกครงมือประกอบได้บางทีพระเจ้าก็ใช้นะฮะท่านรู้เวลาการสปาก็ใช้ในตอนที่พูดกับพวกพระเจ้าปมิาร์พรเจ้ารู้ะเวลาการสปพระอุรุเวลากาสปาเหาะ ข, ข, ขึ้นไปนะเพราะคนมันเยอะไม่เห็นแล้วต้องเหาะลอยแต่มันไม่ไม่จ่จะเหาะอย่างนี้มันมันมันเลื่อนขึ้นไปเลยเจ็ดชั่วลาตาขึ้นไปเจ็ดชั่วลำตาสนะูงเจ็ดชั่วลำต า, ำตาคนก็เห็นหมด เสร็จแล้วตะลงมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็รอยขึ้นไปก็ลงมากราบอีกสามครั้งนี่ที่จริงก็คืออิทธิฤทธิทธิฤทธิ์แต่ว่าอิทธิฤทธิ์ใช้ในกรณีนี้มันทําให้เห็นว่าโอ้โขนาดอุรุเวลาการต่อประยังนี้อาจารย์ขนาดไหนลูกศีลขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนมันจะดึงความศรัทธามาอยู่ที่อาจารย์อย่างที่เคยเล่าเรื่องภาษากะตะที่ท่านเหาะ ต, ตอนตอนตอนไปทรมานพวกพระโสณกุติกนนะโสณะ ตัวลิวิสต์ที่ที่ที่มีขนงอกที่เท้าอะที่ฝ่าเท้าอะมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์เยอะเหมือนกันแต่ว่าแสดงว่าดึงคนมาอย่าให้ไปติดอฝ่าเท้ามีขนแล้วมันดีอะไรเราอมันจะบรรลุเป้าผลอะไรกับฝ่าเท้ามีขนมันก็ผิดแปลกนะฮะมันผิดแปลกพนุษย์บรรากันไปเท่านั้นเองคนก็แห่ดูกันมันหลุดพ้นจากทุกทั้งณวงได้ไหมแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้ไหมมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย เวอเพิ่มเพิ่มบัญหานขึ้นมาต่างก็แสดงในที่ปฏิหารแล้วก็ดึงคนมาคว้าพระพุทธเจ้าพเจ้าไม่ได้แสดงอะไรลูกศิษย์แสดงแต่ทําให้คนเหล่านั้นนะ่ยไปตื่นเต้นโอ้โหลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนก็ไม่รู้โดยไม่ต้องแสดงใช้ในกรณีที่ต้องการจะแก้ปัญหาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช้แล้วไม่ใช่ไม่มีมีแล้วก็ใช้ในคราวที่จําเป็นั้งใช้ แต่ใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้ใช้เป็นตัวเนื้อหาเพราะเนื้อหานี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเนื้อหาต้องอยู่ที่ตัวธรรมะอยู่ที่ตัวอนุสาสนีปาัติหานคาสอนที่อัศจริย์เราเห็นว่าคําคําสอนขพระเจ้าที่เรียกว่าอัศจริย์ก็คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทรงแสดงไว้อย่างไงเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็เป็นเขาอย่างนั้นในวันที่เทไร่นะฮะเขาจะ ไปชมมระพิปลายที่ธรรมสถานวันนี้โมนามาไปไปพูดหัวข้อเดียวกันนะนะฮะทุกศาสนาก็เรียกอะไรนะศาสนาแก้ทุกยุคสมัยแห่งยุคสมัยชื่อถวิงสวายดีมันมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะะว่ามนุษย์ยุคสมัยไหนก็ตามธรรมะมันเป็นอากาลีโกกิเลสมันมีสามกองโลกวุหลงนั่นแหละไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้กิเลสมันลดลงไปแล้วหรือกิเลสเปลี่ยนแนวหมดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ กิเลสคือโลกโลกก็หลงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โลกมากขึ้นนะโกรธมากขึ้นลงมากขึ้นเดินทำไปเจียวรถกันนิดเดียวมัจะต่อยกันละก็แสดงปัญหาก็ปัญหาเดิมกิเลสก็กิเลสเดิมปัญหาก็ปัญหาเดิมธรรมาก็ธรรมะเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ลักษณะความโกรธเมื่อสมัยพุทธกาลเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นความโลกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ เหตแบงจะพกคนนะฮะเวลาสถานที่คนนั้านั่นเองผู้กระทากรรมแต่ว่าเหตุและกระทากรรมไม่เปลี่ยนเป็นกุศลเจตนาเป็นกุศลเจตนาฝ่ายธรรมะก็สรุปแล้วก็เป็นศีลธรมที่ปัญญาจะเหมือนเดิมไม่มีเห็นมีปัญหาอะไรก็ชื่อสวิงสวายนะะสภาเอะไรพุทธมาโคมมันก่อนก็อะไรยั่งยืนอะไรนะใช้คำว่ายั่งยืนธรรมะ ที่จะให้เกินพัฒนายั่งยืนยั่งยืนยัง่งยั่งยืนมันก็ไม่ได้สังขารไม่เที่ยงก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปเพิ่มก็เพิ่มไปแล้วไปลดก็ลดไปแต่ว่าจะยั่งยืนตลอดไปมไม่ได้สังขารไม่เที่ยงโฆษณาขายสินค้าได้แต่จริงๆมันไม่มีอะไรเที่ยงนะฮะแนวของอนุสาสนิปฏิหารก็คือเรื่องคาสอนที่อาเจ แต่ว่าแนวการสอนพู้เจ้าจะมีอยู่สามแนวเ็าเรียกว่าหนึ่งแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามก็มีสามตอน4ี่ตอนนะฮะที่จริง ก, ก, ก็ก็คือศึกษาหรือโดยการฟังโดยการคิดโดยการปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะรับผลตามสมควรแก่แก่เหตุที่ที่เขาที่เขาได้ทำนะครับ แล้วก็แสดง้วยผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแต่ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยต้องสามารถรู้สามารถเด็ดหรือไม่ใช่ว่าอะไรไปเรื่อ ย, รอยธรรมะบางอย่างเนี่ย ม, มันละเอียดลึกซึ้งเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นอะไรที่จะพูดตอนนี้นะฮะก็พูดตอนหลังพูดเท่าที่จาเป็น จาเป็นในท้องถิ่นที่พูดเมื่อวานนี้เขาพูดที่สุรินเรื่องภัยอันตรายที่มีต่อพุทธศาสนาเลยไม่พูดหรอกคนฟังมันไม่เหมาะที่จะพูดพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องธรรมมาให้กินพูดเรื่องให้เลิกเล่าพูดเรื่องอะไรแต่ไรในพวกอภัยมุขอะไรแต่แถวนั้นนะฮะที่วัดที่มาไปเนี่ยมีนัดชี้บําบัดสุราเรือรังชาวบา้านคนจักในติดล้า แต่ล่ามาแพร่หลายเปลี่ยนยาสุรินแต่เนี้ยเมื่อก่อนก็บอกว่าอยู่สุรินต้องกินสุราเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาอยู่ที่โคราชโคราชเข า, าบอกว่าเล่าเดือนเท่าไหร่นะเก้าเก้าพันขวดเก้าล้านขวดเดือนเนะ่ะกินเงินเก้าล้านขวดโอ้มหาศาลมากมากคนมันเยอะ้วยนะคนเยอะเลยแต่ทําทำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เฉพาะพระองค์นี้แกแกรักษาคนที่ติดสุราไปสองแสนกว่าคนนะพระรูปเดียวนะฮะรักษาคนนะตั้นแต่ก็นเช้าเปื้อเนี่ยเช้าเปื้อนบบับเคี่ยวกันเรื่องคนคนตกเป็นธาตสิ่งเสพติดเพราะงั้นตรงนี้ผมก็พูดกันอย่างเงี้ยเลิกเล่นการบรนันเลิกเล่นการพรรนานเลิกสุราพวกเอาใบายมกทั้งหลายเนี่ยเป็นเบอร์เล่นหวยแท่แนั้นเนะ่ะ ไ, ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเสียเวลาเปล่ก็แสดงไปตามพื้นผ่าน ของคนในที่เหล่านั้นได้กนในกรณีตหล่านั้นแล้วเป็นคําสอนที่อัศจรรย์คือหมายความว่าอัศจรรย์ของคาสอนในต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตจึงจะเห็นผลของคาสอนที่อัศจรรย์จริงๆเราสัมผัสด้วยได้เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความประณีตภายในจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง ผลเราเนี้ยทำให้ถึงจุดหนึ่งก็ทาให้เกิดเที่ยเรียกที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมะอันยิ่งของมนุษย์เราธรรมะประเสริฐสูงสุดของมนุษย์หมายความว่าคำว่าสูงสุดก็คือว่าจิตเราเหนือกิเลสได้มากเหนืออารมณ์ได้มากเหนือไปเรื่อยๆจนเหนือถาวร น, นะ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครบอกใครไม่มีใครรู้ได้นอกจากเราเองเรารูเรา้เรารู้ที่ใจเราแต่รู้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครด้วยนะไม่ต้องเป็นต้องไปอวดใครแต่จะชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้สติให้เหตุผลแก่คนอื่นได้นะฮะทได้ก็เป็นการดีเพราะว่าจะเป็นการช่วยการเผยแพ่ศาสนธรรมในทางศาสนาให้แพร่หลายออกไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยแต่บางบา ง, บางมันมันเป็นเรื่องในค่อนข้างแปลกใกล้ๆก็ครูเนี่ยสอนลูกตัวเองไม่ได้ตัวเองไม่ได้ต้องเอาให้คนอื่นช่สอนให้ภายในบ้านภายในครอบครัวสอนกันเองไม่ค่อยได้นะสอนกันเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นช่วยสั่งสอนแต่มายัางยังมองแนวนี้ถ้าเราช่วยกันนะฮนะถ้าเราช่วยกันว่า อย่างพ่อแม่ครูพ่อแม่ครูพระเด็กเนี่ยฮะเด็กเราจะสอนเด็กให้เคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้พระช่วยสอนเราสอนให้เด็กนับถือพระนับถือพ่อแม่ก็ให้ครูช่วยสอนแล้วก็สอนให้เด็กนับถือครูก็ให้พ่อแม่กับพระช่วยสอนคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักคือคนอื่นสอนคนอื่นพูด แต่ถ้าไปสอนเองพูดเองเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมันมันมันสอนก็นไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทําเป็นตัวอย่างเนี่ยทำได้นะทําำเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับในการพูดในการกระทําในการลุกในการนั่งในการเดินอะไรต่ออะไรใช้เรียบุตรให้สร้างความประทับใจความตรึงตาคนโครคชอบชอบลอกเลียด และสิ่งที่เรารอบเดือนคือสิ่งที่เราประทับใจใกล้ๆเราประทับใจใกล้ๆนะฮะอะไรก็ตามที่เราประทับใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆเรารจะมีการซึมทราอยู่ไปปอยในสุดมันมั น, ม, นมันก็เปลี่ยนแปลงไปแนวนั้นแม้แต่พวกเด็กรุ่นหนุ่มติดงดาราทรงผมแต่งเสื้อผ้าอะไรอะไรจะจะแนวเดียวกันจะทำยังไงจึงจะได้แบบแแบบอยางในเรื่องตรงนี้ ที่จะช่วยกันเสริมสร้างในส่วนตัวเองนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับตัวเพื่อให้ได้สัมผัสสิ่งที่อัศจรรย์นในทางศาสนาพราจะเรื่องสังขารว ส, สูตรทั้งหมดในช่วงต้นเราจะได้ภาพอย่างหนึ่งว่าคนมาพบกับพระในสมัยนั้นนะฮนะไม่คุยเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องนอกเรื่อง จะคุยเรื่องธรรมะแต่ว่าชาวบ้านเราเวลาคุยธรรมะเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นานจะคุยไม่นานปเดี๋ยวลาแลยฮะเดี๋ยวลาแล้ ว, เ, ว, ลลว เ, ออเพราะงั้ถ้าถ้ามาดูหมอดูคุยเรื่องอะไรจะอยู่ได้นานๆคุยนานๆหลายหลายชั่วโมงแต่ถ้าคุยธรรมะอธิบายธรรมะประเดี๋ยก็กลับเพราะงั้นก็ ก, ก็จริงๆก็ดีเหมือนกั น, กนถ้าต้องการใช้แขกรีบกลับก็คุยธรรมะ คุยธรรมาประดียก็ยกนนะลับเองนะแต่เขาก็ฟังไม่ทนอะฟังไม่นานแต่ถ้าเรามองทั้งหมดที่ที่ที่ที่เราศึกษาเรื่องมรสูตรทั้งหมดให้ะให้เรานังเกตว่าจะไม่คุยเรื่องอื่นจะไม่คุยเรื่องอื่นชาวบ้านเมืเราไปพบพระเนี่ยจะคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องปัญหาที่ชีวิตแล้วแม้แต่ว่าเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าจะดึงก็หาธรรมะจะดึงก็หา ทำมาเพื่อจะให้คนผู้ที่มาคุยเนี่ยได้อะไรไปโดยบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นมิตรนะฮะบรรยากาศเป็นเป็นกันเองแล้วอบอุ่ น, นสนิทสนมแล้วก็คุยก็ถกเถียงกันไปอภิปรายกันไปภาพเหล่านี้ที่จริงเป็นภาพที่สวยงามนะเป็นภาพที่ที่น่าจะกลับน่าจะกลับมาแล้วเกิดจากอะไะเกิดจากนอกจากว่าในที่บางแห่ง ที่เคยที่เคยเห็นออชอบชอบใจของอาจารย์พุทธนะฮะที่ที่วัดอะไรที่โคราชอ่ะป่าสละวัด อ, อันนี้อนนี้คนถวนมากมามาหาถามธรรมะมาหาถามธรรมะถามเสร็จก็กลับก็ทำไม่มีโอกาสได้ได้คิดได้แสดงแต่แนะนำยังยังไปที่ ท, ที่ที่สองแห่งเมื่อวานวันคืนนะ เราเห็นได้ชัดเลยที่ที่น้องป่าพงมารายไหนก็รายนั้นเลยธรรมะทั้งนั้นมาตั้งปัญหามาถามมาเสนอแนวความคิดมาเทียบเคียงความคิดตลอดแต่ไปแห่งหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นเลยนี่ ก, ก็คือก็คือความสนใจของคนว่าในแต่และกลุ่มความสนใจนั้นจะแตกต่างกัน การคงแนวแน ว, แนวเดิมก็คือการเลนธรรมศรรกากัจ่าการควังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาพียงเทนี้ที่สุดที่ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแต่ท่านสาชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเธอ